โดยจอกนี้ไปเป็นสองพันห้าร้อยสามสิบแปดที่พิสูจน์ได้โดย 20 เมษายน 2538 นี้ เข้าใจเอออย่าง ไม่ต้องไปพูดถึงประเทศอื่นละต้องๆเนี่ยก็ยังฟังรู้เรื่องก็ยัง มาฝึกฝนแล้วก็ต้องมีความเข้า แต่ผลขึ้นมานั้นมันคุ้มกับการ ลงทุนๆนะลงทุนลงแรงกันทํา คนเกิดมาได้มาประสบกับอะไรประสบกับทุกข์มานี่เกิดมาทําไมเกิด ระยะไกลยิงสอนในระ เท่าๆกันด้วยจะยากๆกันยากการกันๆทุกทุกทุก รูปพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็จักตรัสรู้ ความจริงสุดยอดน่ะที่คนอย่างพระ ขาดทุกข์ไปได้จนกระทั่งสมเร็จเรียกว่าๆ 1 มี 2 มั้ย 1 มีคู่มั้ยสุดยอด 1 ไม่มี อทุคคมสุขก็คือมาคําว่าหมดทั้งทุกข์ทั้งสุขเพราะฉะนั้นคําว่า ได้เล่นสมมันเป็นความหลอกมันเป็นอารมณ์ลวงได้ดิ้นสมใจแล้วเราก็มันก็สุกมัน ถ้าได้อย่างนี้แล้วแหมมันจะสมใจสมๆผมไปได้ตบหน้าๆสุก <c oughs> เป็นความสมใจความสมใจเป็นๆๆๆเป ต้องการไว้อย่างนี้ไว้อย่างนี้น่าได้น่ามีหน้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าได้แล้วไม่ทุกข์อะไรอะไร มันจึงเกิดภาวะในสังคมจึงเกิดภาวะในสังคมจับจ้านรุนแรงแก้ ท่านก็มาค้นหาเหตุว่าก็เหตุมันก็ออกจริงๆอย่างจริงจะต้องอย่างเนี้ยๆ เท่าใดเงี้ยสุกทียําๆๆแต่จริงๆก็ไม่เที่ยงไม่จริงหรอกเปลี่ยนไปได้อย่างนี้อร่อยมันก็ ถ้าให้พิสูจน์เอหิปัสสิโกถ้าให้มาพิสูจน์ว่ามันไม่จริงโอ้ไอ้ กิเลสตัณหาคือตัวต้นเหตุสมุทัยอุปทานเนี่ยกิเลส เป็นเรื่องที่ทําให้เราๆตามความจริงนี้จนกิเลสมันจางคลาย เป็นแต่สังเกตอาการทุกทีอ่าแล้วโอ้อาการ ถ้าเพราะว่าๆอ่อนๆมันก็จะไม่ให้ทําบ่อยๆมันก็จะไม่ไป ไม่ตายพิสูจน์ๆๆๆๆเข้าจนเห็นสัจธรรมชัดเข้าโอ้มันทําให้เราว่างเราโปร่งเรา ที่ๆด้วยเป็นสาระสัจจะที่ดีๆด้วยช่วยเค้าอย่างพวกเราอ่าแถมอ่าอาตมา ให้เวลาส่วนมากแล้วก็ให้มาแล้วไม่ค่อยพอเบรกไม่ มันอยากได้กระฉําใครเกินอยู่เรื่อยแต่ก็รู้เออถ้าเรา ไม่มีอะไรที่มันจะเป็นรถอร่อยที่เราจะ มันมีสอนๆนะแต่เราก็ยังไปหลงยิน ตนยังไม่แอบเสพตนยังไม่แอบอร่อยตนยังไม่แอบ ยินดีว่าตัวเราได้ทําดีขนาดไหนแล้วก็เค้า ทำดีก่อนมันจะยินดีปรีดาว่าเราได้เสียเนี่ยรู้สึกว่าแม้ๆตื่นเต้นหนัก เคยชินเองอ่ะพอชินแล้วมันก็ มีประโยชน์คุณค่าแล้วเราก็ทําประโยชน์คุณค่านั้นให้ กินก็ถูกหลอกนอนก็ถูกหลอกไปก็ กินอยู่หลับนอนหรือว่าเป็นไปไม่อ่ากินก็พอเท่านี้อยากจะเราฝึก น่ะมันรอนมันยิ่งแก่ยิ่งเปิดมันยิ่งไม่ต้องคลุมต้องห่ม อ่อนแข็งอะไรพอสมควรไม่ต้องเกินการ ปฏิบัติได้แล้วเห็นจริงเลยเกิดญาณ นะมนุษย์ที่เป็นสัตว์โขลงๆ มีการอยู่กันอย่างอบอุ่นมีความรักอันวิเศษความรัก เกื้อกูลคือเมตตานั่นเองความรักคือเมตตากรุณามุทิตานั่นเองมีความรักอัน แม้เราจะมีสิ่งที่ใช้เราก็ไม่ยึดว่า จักสูงวางได้ถึงขนาดนั้นจึงวางได้แม้กระทั่งเป็น เครื่องใช้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็ก็ มีได้ได้อย่างนี้ๆแล้วมนุษย์ก็ไม่รู้จะอยู่ ดีไม่ดีได้เดือนได้ดาวอยากได้เดือนก็ซื้อ ฉะนั้นเราก็ต้องตายจากทั้งนั้นแหละแต่เสร็จ แต่ว่าถ้าเราไปอาฆาตมาดร้ายไปเบียดเบียนผู้ ถ้าจะไปร้ายกับท่านทางกับวางกันก็ไม่ถือสาบาปดูเหมือน เวรผูกพันแก้แค้นกันไปไม่ว่าโอ้โหเอ โอยมันงั้นก็ไม่มีเวรมากไม่มีบาป มันเหมือนกับต่างก็ดำเอาสีดํา 40% 40 80 40 100 40 ดำนี่จะลดลงมั้ยดำลดลงถ้า โง่ขึ้นโง่ขึ้นโง่บาปโดยเฉพาะผู้ที่เขา ซับซ้อนทับทวีซึ่งไม่ใช่เนี่ยไปทํากับพระแล้วนี่ถ้า ความสุขนี่มันคือความทุกข์ความสุขนี่คือความ มันไม่ปล่อยวางแล้วมันก็ยึดประทับใจประทับเอาไว้กิเลสก็ อย่างสําคัญเลยที่สุขนี่แหละมันหลอกนานนานจนกว่าจะมาล้างมละและจึง นี่เป็นหลักการใหญ่ๆของศาสนาพระๆของศาสนาพระพุทธเจ้าอาตมาก็เอา ยังไม่ถึงปฐมมันยังอ่าก็ต้องการครูเพิ่มเติมเหมือนกัน พวกเราที่อาตมาพูดแต่ต้นแล้วว่าแม้แต่เป็นเด็กหนุ่มวัย อัตตานังปทหติปทาติแปลว่าการตั้งลงตั้งอยู่การตั้งอยู่ อยากจะสนุกอกุศลดีอกุศลความเลวหรือ พูดประกอบให้ๆแต่พวกเรานี่มาฝืนมาตั้งตนอยู่บนความลำบากหัดลด เห็นชัดเจนจึงเห็นปัจชีวิตนี้อู้ช่วยกันให้ อ่าศีล 5 ก็ขนาดตั้งแต่ตามความหมายที่เราก็พอรู้ๆ การเจริญได้เจริญอย่างที่อีพระพระพุทธเจ้าทันทาๆที่ เด็กๆก็ฝึกปรือไปได้เรื่อยๆยิ่งเข้าเด เราไม่ได้ปกไม่ปกปิดนะว่าโลกเค้าเป็นยังไงแล้วก็เปิดเผยให้เห็นตัด ไม่ไปเปลื้อนอีกใครที่ไม่เปลื้อนได้เลยอย่าไปเปลื้อนจะได้ชื่อ มันเดือดร้อนวุ่นวายถ้ายิ่งพยายามอ่าทํา ได้คนมามีพื้นบุญนี้อย่างนี้น่ะๆปน อยู่นั้นน่ะสถานมันต้องถูกกระจัดออกถูกกระจัดออกหรือตัวเองก็อย มันอยู่ถ้ามันไม่มีพื้นมันไม่มีภูมิพอมันรวมไม่ มูก็อยากให้ออกก็มันก็ได้ออกสุดท้ายให้ออกไอ้มันไม่ใช่ของรวมกันได้เองก็อยากออกด้วยมันที่ ถ้าโปรว่าพยายามภาคเพียรมันก็ยังพอ มันก็คนโง่เท่านั้นเองก็ต้องอ่าพับ <c oughs> คือโอ้โห อาตมาๆเลยนะว่าไม่เห็นว่ามันจะฉลาด ค่อยตามให้เค้ารู้นะแต่ๆว่าไอ้ๆจริงๆแล้วแม้ ทุกวันนี้เค้ายังมื้อๆ ทุกวันนี้แรงต้านก็มีมากเหมือนกันคนต่อเสียด เราก็ต้องรู้ด่าทบเพราะเป็นต้นเค้าไม่รู้ตัวไปตั้ง เฮ้ยมันด่าเรานี่มันเมื่อกี้มัน มีความจริงยืนยันว่าไอ้ๆก็เอาไปคิดเพราะว่าเราไม่ด่าฟรีเรานี่ เขาก็อืมเข้าๆมี โซนี่โตขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นสัจจะความ ดินไม่ดีเราก็สร้างดินดีๆขึ้นมันจะได้ทีละ มีอาตมายังพูดไปหลายทีแล้วนะว่าอีกหน่อย มันเป็นอาหารของมันมันธรรมชาติของมันเราไม่ต้องไปห้ามมัน สรรพสัตว์และยาลึกๆวิญญาณลึกๆอ่าตัวใหญ่อ่าสิงห์งูเหลื้มงูอะไรก็เลื้อย พวกเราเนี่ยพอพูดถึงงูแค่นั้นทําหน้าเกลียดเนี่ยเพราะว่ามันสัตว์เค้าไม่ เขาจะมีสิ่งแวดล้อมเสนาสนะมีองค์ประกอบเป็นสัมปวงโกเป็นนิเวศ มีมาตรการมีกฎมีระเบียบมีธรรมวินัย ศรๆแนะนํากันจริงถึงชั้นอ่ะจริงๆลูกพระก็เหลือลูกผีก็หนีๆอ่ะ เพราะเราไม่ได้ซื้อได้ขายเพราะเราไม่ได้เอกราช ตัวใครก็รักดีเอาเรายืนยันว่านี่ดีเมื่ออ่ามีอะไรต่ออะไรบำรุงอ่าสุดท้ายก็ตาย เสียทรัณใหม่ๆนะผงกหน้าใครชื่ออะไรชื่ออะไรผงกหน้าฝากเดือนนะ อ่าวิชัยอ่าวิชัยโชติชัยเสียไซเสียพันล้านน่า 3-4 เที่ยว 3-4 เที่ยวมา 3 เที่ยว เขาก็นึกว่าเขานี่โอ้โหมันร่ํารวยแล้วมันก็ต้องเเซบสุข ทำให้คนเป็นบุคคลแล้วมันเป็นภาษากิเลสแล้วเดี๋ยวนี้สบายก็คือบําเรอกิเลส มีมีเครื่องอาศัยสปายะมีเครื่องอาศัยมีอาศัยบริโภคที่ มีธรรมะๆ ก็ป่าสงวนๆอยู่แล้วดี พอสมควรสมพอได้มีเสนาสนะพอได้น่ะอะไรก็ดีขึ้นพออ่าอ่า ปัญญาน่าจะเป็นปีล่ะกําลังย่างเข้าทศวรรษที่ 3 ทศวรรษที่ทศวรรษ แข็งแรงพอสมควรๆนานามีปฏิภาณปัญญาอย่างถ้าทศวรรษที่ สูงขึ้นไปอีกศีลในรอบของทศวรรษที่ 4 ก็คอยดูอ่าทศวรรษๆซับ ยืนยันประกาศตนประกาศตัวอโศกเรียกว่า ลักษณะระบบก็ตั้งชื่อระบบขึ้นมาว่าเป็น เอาตกลงของเค้าว่าของเค้าเข้าใจของพุทธเจ้าเป็นกันรู้น่าที่ ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปเพื่อความละนายคลายเรียกว่าวิราคะเป็น ระรื่นหูฟังแล้วหน้าผากภูมิหน้าวิเวกวิเวกหรือสงบ มีการเป็นคนไม่มีเรื่องง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคน นะคลายอะไรคลายกิเลสตัณหาอุปทานจางคลายโลภโกรธ แต่ไม่ติดยึดไม่ติดแช่ไม่โอ๊ยไม่ได้หรอกไม่รับรองอาตมาว่าฝี ไม่สะสมเนี่ยพวกเรานี่ไม่สะสมทุกอย่างมีรวม นี่อ่าอัปปิจฉะมักน้อยเราเองนี่น้อยปวิเวกะโอ้ <c oughs> อยู่กันอย่างประสานสมานสามัคคีมีๆนะพอเหมาะอย่างประเภท อันนี้หมู่ตัดขึ้นอย่างนี้มันไม่ตรงกันกับเราเราก็ ตบไม่มีขึ้นไม่มีอายุน้อยกว่านี้ก็ยังๆ ลักษณะของคนอย่างนี้ที่ทวนกระแสกับปุถุชนทวนกระแสกับนะก็เตรียม วันนี้ต้องเดินทาง